จเจออริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ใฝ่ธรรมทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันพุทธที่สีมีนาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดเป็นวันมาฆ บ, บูชาเป็นวันที่มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นสี่ประการด้วยกัน คือ 1. มีพระภิกษุ1250รูปได้มาเฝ้าพระพุทธเจ้าโดยที่ไม่ได้ดัดหมายกันไว้ก่อน 2. ภพระภิกษุทั้งหมด1250รูปนี้เป็นพระภิกษุที่พระพุทธเจ้าเป็นผู้อุปชาเป็นผู้บวชให้และ 3, ภาพระภิกษุเหล่านี้ ได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ต่อสาวกันทั้งหมดข้อที่สคือเป็นวันมาฆะขึ้นส5้าค่ำนั่นเองนี่คือเหตุการณ์ที่ได้มีการเกิดขึ้นในวันมาฆะที่ตรงกับวันนี้สำหรับปีนี้พวกเราจึงได้เข้ามาวัดเพื่อได้มารำลึกถึงเหตุการณ์ อันมาสจรย์อย่างนี้ที่จะนานๆานจะเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งนานๆานจะมีผู้วิเศษถึง1250รูปและบวงด้วยพระพุทธเจ้าเอโกโูปหนึ่งมาพบกันในโลกนี้เป็นสิ่งที่ยากมากที่จะเกิดได้เพราะความวิเศษของท่านเหล่านี้เป็นสิ่งที่ สัตว์โลกอย่างพวกเรานี้แทบจะไม่สามารถที่จะทำให้เกิดขึ้นได้กับตัวของเราเองโดยลำพังแต่ถ้ามีพระพุทธศาสนามีพระพุทธเจ้ามีพระอาหารหันตสาวกมาปรากฏขึ้น mm. พวกเราที่ไม่เคยมีโอกาส mm. ก็จะกลายเป็นผู้มีโอกาสที่จะสามารถ ปฏิบัติตัวของเราให้ได้เป็นพระอาหารหันตสาวกเช่นเดียวกับพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายความวิเศษของพระอาหารหันตสาวกนี้อยู่ตรงไหนอยู่ตรงที่ใจของท่านปราศจากความโลภความโกรธความหลงปราศจากความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากความโลภความโกรธความหลง และเป็นใจที่ไม่มีเชื้อของภพชาติหลงเหลืออีกแล้วใจนี้จะไม่ต้องกลับมาใช้กรรมอีกต่อไปไม่ต้องกลับมาเกิดมาแกมาเจ็บมาตายในภพต่างๆเช่นไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นเดรัจฉานไม่ต้องไปเกิดเป็นเปรตไม่ต้องไปตกนรกไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ ไม่ต้องมาเป็นเทพไม่ต้องมาเป็นพรหมเพราะการเกิดของภพเหล่านี้มีความทุกข์ตามมาเสมอเพราะภพต่างๆที่เราได้ไปเกิดนั้นมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอยู่เป็นพรหมได้ไม่นานก็ต้องหมดอายุของพรหมอยู่เป็นเทพก็หมดอายุของเทพอยู่เป็นมนุษย์ก็หมดอายุของมนุษย์ เวลาหมดอายุก็เป็นเวลาที่ใจของเราต้องเศร้าโศกเสียใจเพราะไม่มีใครอยากที่จะตายกันนั่นเองแต่ถ้าเราไม่ได้กลับมาเกิดเราก็ไม่ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายไม่ต้องมาทุกข์อย่างที่เราเป็นกันอยู่อย่างนี้แ้นะเราจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆถ้าเราไม่ได้มีโอกาส ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาไม่ได้มีโอกาสมาได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าและคำสอนของพระอาหารหันตสาวกเพราะถ้าไม่มีคำสอนเราจะไม่รู้วิธีที่จะตัดภพตัดชาติตัดการเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองเหมือนกับเวลาที่เรามีรถยนต์เสีย ถ้าเราไม่รู้จักวิธีซ่อมเราก็จะไม่สามารถซ่อมรถยนต์ได้เราต้องเอารถเข้าอู่ไปหาช่างผู้ที่รู้จักวิธีซ่อมถ้าเราศึกษาจากช่างดูเขาซ่อมไปเวลาเขาซ่อมเราก็ดูไปต่อไปเวลารถเราเสียเราก็ไม่ต้องไปหาช่างก็ได้เราสามารถที่จะซ่อมรถได้ด้วยตนเอง ชั้นใดการตัดภพตัดชาติก็เป็นอย่างนั้นถ้าเราไม่เรียนรู้จากผู้รู้จากวิธีตัดภพตัดชาติเราก็จะไม่มีวันที่จะตัดภพตัดชาติได้ด้วยตัวเราเองตามลำพังแต่ถ้าเราสนใจที่จะศึกษาฟังเทศฟังธรรมฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆแล้วนำเอาไปปฏิบัติ เราก็จะสามารถตัดภพตัดชาติที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดไปได้วิธีที่จะตัดภพตัดชาติพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนไว้ในวันมาฆาบูชานี้ทรงแสดงพระโอวาทาปาติโมคือคำสอนที่จะพาให้เราได้ตัดภพตัดชาติสิ้นสุดการเวียนว่ายตายเกิดได้ มีอยู่สามหัวข้อใหญ่ๆข้อที่หนึ่งก็คือจงละการกระทำบาปทั้งปวงข้อที่สองจงยามกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมและข้อที่สามจงชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์สิ่งที่ต้องชำระใจเพื่อให้ใจสะอาดบริสุทธิ์คืออะไรก็คือความโลภความโกรธความหลงนี่เองนี่คือวิธีตัดภบตัดชาติ เพราะสิ่งที่จะพาให้เราไปเกิดก็คือความโลภความโกรธความหลงนี่เองถ้าเราชำละความโลภความโกรธความหลงได้เราก็ไม่ต้องไปเกิดอีกต่อไปก่อนที่เราจะชำละได้เราต้องทํากุศลให้ถึงพร้อมเราต้องละบาปทั้งปวงให้ได้ก่อนดังนั้นวันนี้เราจึงมาละบาป ก, กัน ด้วยการมาสมาทานศีลห้าศีลห้าก็เป็นวิธีที่เราจะละการกระทำบากนั่นเองบาปมีอยู่หข้อคือ 1. การฆ่าสัตว์ตัดชีวิตสองการลักทรัพย์3การประพฤติผิดตัวเองนี้การพูดปดมดเท็จหาการเสพสุรายาเมานี่เป็นการกระทำที่จะทำให้เรา ต้องเวียนว่ายตายเกิดต้องไปใช้กรรมต่างๆเราต้องละเสียอย่าทำถ้าเราละบาปได้เราก็จะทำบุญได้เราก็จะสามารถสร้างกุศลตั้งหลายให้ถึงความได้กุศลที่เราต้องสร้างก็คือการแบ่งปันที่เรียกว่าทานนี่เองเราควรที่จะแบ่งสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่ อย่ายึดติดกับสิ่งต่างๆเพราะการยึดติดก็คือการยึดติดกับการเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองถ้าเราไม่อยากจะกลับมาเวียนว่ายตายเกิดเราอย่า ย, ยึดติดกับสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นลาบยศสรรเสริญไม่ว่าจะเป็นบุคคลไม่ว่าจะเป็นสิ่งของต่างๆถ้าเรายึดติดเวลาเราตายไป ความยืดติดของเราก็จะดึงให้เรากลับมาถ้าเราไม่ยึดติดเราปล่อยวางได้เราสละทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างที่พระพุทธเจ้าทรงสละได้พระพุทธเจ้าสละราชสมบัติแล้วก็ไปอยู่ในปา่าไปปฏิบัติไปชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ถ้าเราอยากจะชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ เราต้องสละเพศของค า, า, ารวะเราต้องสละความสุขของเพศของค า, า, ารวะต้องสละทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองของค า, า, ารวะถ้าเราไม่สละเราก็จะไม่สามารถที่จะไปชำระใจของเราให้สะอารระดบริสุทธิ์ได้ถ้าเราสละได้เราก็จะไปบวชได้การบวชก็เพื่อเป็นการชำระใจนี้เอง สิ่งที่จะชำระชัยได้ก็คือทำสองระดับระดับแรกเรียกว่าสมถภาวนาหรือการสุกใจทำใจให้สงบเป็นสมาธิระดับที่สองเรียกว่าวิปัสสนาภาวนาเป็นการสอนใจให้ฉลาดไม่ให้หลงไม่ให้ยึดติดกับสิ่งต่างๆไม่ให้อยากได้สิ่งต่างๆในโลกนี้เพราะถ้าอยากได้มีความยึดติด ก็จะต้องเวียนไหวตายเกิดต่อไปนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพญ็ญทรงสละราชสมบัติตอนที่มีพระชนมายุ 29,000 ษาแล้วก็ออกบวชบำเพ็ญจิตภาวนาส ม, มถภาวนาทำใจให้สงบหลังจากใจสงบแล้วก็สอนใจให้ฉลาดด้วยวิปัสสนาภาวนา ให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขเพราะทุกสิ่งทุกอย่างน้องมีการจบมีการหมดไปไม่ว่าจะมีมากมีน้อยสักวันหนึ่งก็ต้องจากเราไปหรือไม่เช่นนั้นเราก็ต้องจากเขาไปไม่มีอะไรเป็นของเราถ้าเราเห็นความจริงสาประการนี้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นทุกข์ทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยง ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ของเราเราก็จะไม่ยึดไม่ติดเราก็จะปล่อยวางพอเราปล่อยวางได้ใจของเราก็หลุดพ้นได้ไม่ยากเย็นอะไรเลยพอมีคนมาสอนเราให้รู้จักวิธีเหมือนกับการซ่อนรบยนต์ถ้าเราไม่มีคนสอนเราดูเราก็ไม่รู้จักวิธีจะซ่อนมันอย่างไรแต่พอมีช่างมาสอนเราว่าทำอย่างนี้ทำอย่างนี้ ต่อไปเราก็จะสามารถซ่อมรถเองได้ไม่ต้องไปอาศัยผู้อื่นมาซ่อมให้เราฉะนั้นใดพอเรามีพระพุทธเจ้ามีพระสาวกมาสอนให้เรารู้จักวิธีตัดภพตัดชาติพอเราปฏิบัติตามได้เราก็จะได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เป็นพระอาหารหันตสาวกบาป ก, กรรมที่เราเคยสร้างไว้มากน้อยเพียงไร เราไม่ต้องกลับมาใช้อีกต่อไปเหมือนกับเวลาเรามีหนี้เป็หนหนี้ติดหนี้ธนาคารเป็นแสนเป็นล้านพอเราพอเราตายไปธนาคารก็ไม่สามารถที่จะไปเก็บหนี้กับเราได้แล้วเราก็ไม่กลับมาเกิดธนาคารก็ไม่สามารถที่จะไปทวงหนี้เราได้นี่แหละคือสิ่งที่วิเศษที่ไม่มี อะไรจะวิเศษเท่าเพราะถ้าเรายังกลับมาเกิดเราก็ยังต้องมาใช้นี่อยู่เราเคยไปทำบาปทำกรรมกับใครเดี๋ยวเราก็ต้องใช้นี่ใช้กรรมของเราไปแล้วนอกจากนั้นเรายังต้องมาแก่มาเจ็บมาตายมาพลาดพลาดจากสิ่งที่เรารักพลาดพลาดจากบุคคลที่เรารักแต่ถ้าเราไม่กลับมาเกิดแล้วเราก็ไม่ต้องมา พบกับความทุกข์เหล่านี้และใจที่ไม่กลับมาเกิดนี้ก็เป็นใจที่มีความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขต่างๆที่เราจะได้รับจากสิ่งต่างๆในโลกนี้ใจที่สะอาดบริสุทธินี้แหละเป็นปรมังสุขขังเป็นความสุขอย่างยิ่งเป็นบรมสุขที่พวกเราสามารถเอามาเป็นสมบัติของเราได้ ถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อพระอาหารหันตสาวกเชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนำเอาไปปฏิบัติอย่างที่ท่านได้มาปฏิบัติกันในวันนี้ขอให้ทำบ่อยๆทําให้มากขึ้นแล้วรับรองได้ว่าสักวันหนึ่งใจของท่านก็จะสะอาดบริสุทธิ์หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้อย่างแน่นอน จึงขอให้ท่านนำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้3ประการด้วยกันคือ 1. ละการทำบาปทั้งปวง 2. สร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อม 3. ชําำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ถ้านำมาไปปฏิบัติได้ผลก็คือการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดการได้เข้าสู่พระนิพพาน ที่เป็นแดนแห่งบลำลสุลที่ไม่มีวันหมดไม่มีวันสิ้นก็ขอให้ท่านจงนำเอาไปปฏิบัติการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศีรัตน์ไตรและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัย ให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญด้วยอายุวันนาสุขภาระโดยทั่วหน้ากันเธอ